บาทเนี่ยโดยเพราะถ้าไปบินทบาทแถวภูหลงนะอีกวัดหนึ่งเนี่ยห่างจากนี่ประมาณ13กิโลก็จะมีบางช่วงนะเคยมีเด็กนะผู้ชายอายุประมาณสิ0ขวบปหกก็จะเดินตามพระนะไปช่วยสะพายย่ามเพราะว่าที่ภูหลงนี่ญาติโยมใส่บาตกันเยอะมากแล้วก็ไม่ใช่แค่ข้าวเหนียวนะแต่ว่าผลไม้กับข้าวนี่ถ้าคนหนึ่งเนี่ยก็จะต้องแบกถึง 2-3 สามย่ามนะ ต่างจากที่นี่นะที่นี่ไม่ค่อยมีใครถวายนอกจากข้าวเหนียวแล้วก็ช่วงนั้นก็เป็นช่วงปิดเทอมนะเด็กคนนี้ก็มาช่วยเดินตามหลังพระนะแล้วก็สะพายย่ามผลไม้ ก, กับข้าวก็เด็กคนนี้ก็สะพายก็ช่วยทุ่นแรงพระไปได้เยอะก็ทาอยู่ได้สักสี่ห้าวันนะวันหนึ่งระหว่างที่บินบายอยู่เด็กก็บอกว่า พรุ่งนี้จะไม่มาช่วยหลวงพ่ อ, อะสะพายย่ามแล้วถามว่าทำไมเหรอให้บอกโดนเพื่อนล้อเพื่อนเนี่ยเพื่อนนักเรียนด้วยกันนี่แหละมันล้อนะเขาก็เลยอายก็เลยอขอจะเลิกทำหน้าที่นี่แหละก็เลยบอกกไปว่าโอ้ยเราทำดีนะสิ่งที่เราทำนี่มันเป็นบุญกุศลเลยนะ นะอย่าไปกลัวแต่เดี๋ยวนี้เป็นอย่างจริงจริงนะคนจำนวนไม่น้อยเนี่ยนะไม่ว่าเด็กหรือผู้ใหญ่ก็ตามเนี่ยเวลาทําดีจะไม่ค่อยกล้านะแต่ว่าเวลาทําไม่ดีนี่กล้าเหลือเกินนะเรียกอาการนี้ว่ากล้าทําชั่วนะกลัวทําดีวัยรุ่นเนี่ยนะบางทีก็กล้านะไปยกพวกตีกันบางทีไม่ได้เกลียดชัง หรือว่ารู้จักอีกฝ่ายหนึ่งเป็นส่วนตัวนะแต่ว่าเพื่อนขอร้องหรือเพื่อนอชักชวนะบางทีก็กระตุ้นเร้านะเราก็เลยเฮไปนะเฮไปตีเขาเรื่องแบบเนี้กล้าแต่เวลาจะเห็นคนเดือดร้อนนะทั้งที่ตัวเองช่วยได้แต่ก็ไม่ช่วยอย่างเช่นอยู่บนรถเมย์ รถไฟฟ้าคนแก่หรือว่าคนท้องขึ้นมาไม่มีที่นั่งบางคนเนี่ยก็อยากจะลุกนะให้เขาได้มีที่นั่งนะแต่ไม่กล้าจะเป็นผู้หญิงก็ตามผู้ชายก็ตามเนี่ยการสลัดที่นั่งให้คนแก่คนท้องนี่มันก็เป็นความดีนะน่าสรรเสริญแต่หลายคนไม่กล้าถามว่าทาไมอายอาย อายบางทีอายเพื่อนอย่างนี้เป็นกันเยอะนะมันมีคนเนี่ยบางบางทีเราเดินผ่านย่านชุมชนนะมีคนเป็นลมคนก็เยอะแยะนะก็เดินผ่านไม่สนใจแต่ถ้าเกิดว่ามีสักคนหนึ่งนะนะก้มลงไปช่วยเขาหาน้ำหรือว่าหายาต่อจากว่าจะมีคนที่สองกัที่สามเนี่ยลงไปช่วย แต่ถ้าไม่มีคนแรกนําก่อนนะไม่มีใครทํานะไม่ใช่ว่าคนที่เดินผ่านมาผ่านไปผ่านมาไม่มีน้ําใจนะมีน้ําใจแต่ว่าไม่กล้าเรารู้ได้ไงว่าเขาไม่กล้าเพราะว่าพอมีคนที่หนึ่งหรือคนแรกเริ่มทํามีคนที่สองที่สามก็ตามมาแล้วมาช่วยเป็นอย่างนี้นะเดี๋ยวนี้กล้าทําชั่วกลัวทําดีหลายคนเนี่ยกล้าที่จะคอร์รัปชันนะแต่ว่า เวลาถึงข่าวที่จะซื่อสัตว์สุจริตนี่ไม่กล้าอันนี้ก็เกิดขึ้นมากนะในวงการของราชการหลายหน่วยงานทีนะ่มันมีผลประโยชน์เยอะพ่อแหละพ่อเพื่อนหรือใครๆเขาก็ทํากันใครๆเขาก็โกงให้เขาทุจริตก็ทําโดยไม่ค่อยคิดอะไรมากแต่พอจะซื่อสัตย์นะถึงข่าวจะซื่อสัตว์เบิกนะต า, ตามตามค่าใช้จ่ายจริงนะ หรือว่าไม่เรียกเอาสินบาทสินบนนะไม่กล้าบางคนก็เป็นตำรวจนะบางคนก็เป็นข้าราชการอาจจะสุลักการศาลภากรก็แล้วแต่แต่ทีนี้มันไม่ได้เป็นข้าราชการเดียดเอ ก, กชนก็เป็นนะอันนี้เราว่ากล้าทําชั่วกลัวทําดีอันนี้ก็แปลกนะมันมาถึงยุคที่คนเนี่ยรู้สึกว่าการทําดีนี่เป็นเรื่องที่ต้องอาศัยความกล้ามาก แต่เวลาทำชั่วทำไม่ดีนี่มันไม่ต้องคิดเลยนะตัวอย่างง่ายๆนะบางทีเราก็อาจจะว่านะว่าผู้ใหญ่ว่าผู้มีพระคุณด้วยความโกรธด้วยความไม่พอใจหรือด้วยความหวังดีก็แล้วแต่ไม่อยากให้พ่อสูบบุหรี่ไม่อยากให้แม่กินไอ้พวกน้ำตาลข้าเหนียวทุเรียนเยอะเนะี่ยแม่ก็กินทั้งที่เป็นเบาหวานก็ หาข้ามใจไม่ได้ก็ว่าไอ้ตอนว่าเนี่ยนะแมไม่ได้ยังไม่ได้คิดอะไรมากไม่ได้คิดหน้าคิดหลังเลยหรือกับเพื่อนก็ตามบางทีก็ว่าเพื่อนบางทีก็ดินทาเพื่อนปรักปรำเพื่อนแต่ว่าพอรู้ว่าผิดนะไม่กล้าขอโทษอันนี้แม้กระทั่งกับพ่อแม่นะไอ้การที่ขอโทษเนี่ยพ่อแม่นี่ผมเป็นเรื่องยากมากเลยไม่กล้าแต่ว่าพอ เวลาจะว่านี่นะไม่มีการลังเลเลยนะอันนี้ก็จัดว่าอยู่ในประเภทกล้าทําชั่วกลัวทําดีนะเพราะว่าการว่าพ่อแม่เนี่ยอันนี้ไม่ไม่เหมือนกับการไปไปทวงติ้งนะทวงติ้งกันึงจะไปว่าเนี่ยด้วยอารมณ์เนี่ยมันไม่ดีนะแต่คนเราก็กล้าทําแต่เวลาจะขอโทษอนะ่ะไม่กล้าอันนี้เป็นแม่ทั้งพ่อแม่กับลูกนะพ่อแม่นี่ ว่าลูกนะใช้คําพูดรแรงๆพอมารู้ว่าผิดนะไม่กล้าขอโทษถามว่าขอโทษนี่เป็นความดีไหมเป็นความดีนะมันเป็นการทําผิดให้เป็นถูกใหนะ้เปลี่ยนผิดให้เป็นถูกซะแต่คนก็ไม่กล้านะฉะนั้นเราต้องนะปรับนะปรับนะปรับจิตปรับใจเสมอใหม่เวลาเรา ทำชั่วนี่มันกล้าเพราะาอัตตามสั่งกิเลสมันสั่งให้ทําแล้วก็ไม่คิดหน้าคิดหลังไม่ว่าจะเป็นกิเลสที่ชื่อว่าโลภะหรือว่าตัวโทสะหรือตัวมานะมานะนี่ไม่ได้แปลพยายามนะมานะแปลว่าความถือตัวถือตนว่ากูแน่กูเก่งต้องการไปยกพวกตีกันเพราะสมมตกูเก่งนะหรือว่าตามเพื่อนไปไปตีเขาทั้งทั้ที่ก็ไม่ได้เกียดชังอะไรเขาเลยไม่ไม่ได้รู้จักด้วยแต่ว่า ต้องการการยอมรับไอ้นี่ก็ตัวมาน ะ, ะการทำชั่วเป็นเรื่องง่ายหรือว่ากล้าทำได้มากขึ้นเพราะว่าปล่อยให้ตัวกิเลสเันครอบงาแต่เวลาจะทาดีนี่นะกิเลสมันรู้สึกเสียหน้านะจะไปขอโทษเนี่ยเสียหน้าไอ้ตัวอัตตานี่มันไม่ยอมหรือว่าเกิดไปทำดีแล้วเนี่ยมันผลประโยชน์มันได้น้อยลงตัวโลภะมันก็ไม่ยอม มันก็เลยเกิดปรากฏการณ์ที่นะแพร่หลายไปทั่วประเทศเลยนะกล้าทําชั่วกลัวทําดีมันต้องเปลี่ยนหมายนะก็คือว่าไม่กล้าทําชั่วแล้วก็ไม่กลัวทําดีนะสาคัญมากเลยอะไรที่เป็นความดีก็เรียกว่ารีบเข้าไปทําเลยนะไม่มีการรั้งรอแม้ว่าตัวกิเลสตัวอัตตามันจะมันจะยัง้งมันจะ มันจะห้ามนะแต่ว่าเราก็ทำไม่ว่าจะเป็นการขอโทษไม่ว่าจะเป็นการช่วยเหลือคนอื่นใครเขจะพูดอย่างไรก็เป็นเรื่องของเขาเพราะว่าบางทีเสียงรอบข้ามก็เป็นมิจฉาทิฏฐินะกินเหล้าเหมือนกันนะหลายคนเนี่ยไม่อยากกินเหล้าต้องกินต้องกินนะเพราะว่ากลัวเพื่อนว่ากลัวเพื่อนว่ากลัวเขาจะไม่ยอมรับอันนี้ก็เรียกว่าจัดอยู่ในเพศกล้าทําชั่วนะไทยว่า เวลาจะทำดีคือว่าฉันไม่กินนะเพราะว่ามันไม่เป็นผลดีต่อสุขภาพนะมันเป็นอันตรายต่อร่างกายมันเปลืองเงินนะไม่มีใครกล้าที่จะพูดกับเพื่อนว่านะฉันไม่กินเหล้านะถามว่าการทำอย่างนี้ดีไหมดีนะเพื่อเจ้าก็สตรเสริญแต่ไม่กล้าเป็นอย่างนี้กันเยอะผู้ใหญ่เนี่ยบางทีกินเหล้าไปสักพักหรือว่ากินเหล้าเฮฮาสักพักก็ชวนกันไปเที่ยวผู้หญิง บางคนก็รักลูกรักเมียนะแต่ต้องไปนกลัวนะกลัวที่จะขัดขืนนะกลัวที่จะบอกว่าฉันไม่ไปนะลูกเมียรออยู่นะะไปเลยนะอันนี้ก็เหมือนกันนะแล้วลองดูดีๆในคำว่ากล้าทำชั่วกลัวทําดีนี่เป็นเงนเยอะนะอย่าไปเชื่อเราก็ไม่เป็นเราก็เป็นฉะนั้นเราพยายามปรับใจสมัยนะให้เป็นคนที่เวลาทําดีนี่กล้าทําชั่วนี่กล้าเวลาทําชั่วนี่ก็ ไม่กล้าที่จะทำแต่กล้าขัดขืนนะกล้าทำดีกลัวทำชั่วเพราะเห็นว่าทำชั่วเนี่ยมันเกิดผลเสียแล้วต่อไปจิตใจจะเข้มแข็งนะจิตใจจะเข้มแข็งพอเข้มแข็งแล้วการทำความดีการทำเรื่องยากต่างๆก็จะทำได้ง่ายขึ้นเจออุปสรรคเจอความยากลาบากก็ไม่ท้อถอยเพราะมีความกล้ากล้าที่จ ะ, ะเผชิญกับอุปสรรคกล้าแมาก้กรทังล้มเหลว กล้าล้มเหลวแม้แม้ว่าความล้มเหลวจะไม่ดีแต่กล้าเพราะว่าเราทำสิ่งที่ถูกทำสิ่งที่ถูกทำสิ่งที่ดีล้มเหลวก็ไม่ใช่เรื่องที่น่าเสียหายสมัยนี้ความเข้มแข็งในจิตใจสำคัญมากนะเดีย๋ยวนี้เราเลี้ยงดูนะให้อนะ่อนแอครอบครัวก็ดีสังคมก็ดีทำให้คนอ่อนแอกันเยอะรวมทั้งมันมีสิ่งยั่อยุนะ ทำให้เรายอมโ อ, อนอ่อนผ่อนตามอะ้รง่ายๆเสร็จแล้ววันดีคืนที่พอมีอะไรมากระทบนะน้อยใจเสียใจนะโอมันทําสิ่งที่เลวร้ายหรือว่าสิ่งที่เสียหายได้เยอะเลยนะเมื่อเช้านี้ก็ได้ข่าวนะี่มีเด็กคนนึ่งอายุสิบขวบนะอายุก็ไล่ๆกับนักเรียนที่มาปลูกป่าเนี่ยเช้าเนี่จะไปโรงเรียนนะแม่ให้ไปโรงเรียนไนงะ ก่อนจะไปโรงเรียนแกก็หยิบถือวิศาสะหยิบกระเป๋าเงินแม่กระบป๋งสตังค์อะนะแม่เห็นแม่ก็ว่าทำนี้ได้ไงวิศาสะเด็กเสียใจนะทีแรกเด็กโกรธก่อนเด็กก็เอายาวว่อยนะเสร็จแล้วเด็กก็ก็ตกลงว่าไม่ไปโรงเรียนแล้วก็นั่งซึมอยู่ในห้องแม่ก็คิดว่าคงไม่มีอะไรเดี๋ยวก็คงจะดีเก็บตูยในห้องสักพักนะ ก็ชั่วโมงสองชั่วโมงนะพอตอนบ่ายปรากฏว่าโดดคอนโดลงมาค่าตัวตายนะอาศัยอยู่ในคอนโดนะที่กรุงเทพเด็กน้อยใจนี่ถูกแม่ว่าแม่ว่าอะไรแม่ว่าว่าไปวิาสาสะหยิบกระเป๋าสตังค์แม่เด็กเนี่ยเดี๋ยวนี้เนี่ยนะน้อยเนื้อต่ำใจง่ายนะถูกพ่อแม่ว่าก็เสียใจแล้วนะน้อยใจ บางทีไม่ใช่พ่อแม่ว่าบางทีคนรักนะคนรักว่าเนี่ยก็เสียใจเนะี่ยอะไรทําให้คนสมัยนี้เนี่ยอ่อนแอนะถูกกระทบไม่ได้นะอันนี้ก็เป็นคําถามนะส่วนหนึ่งก็อย่างที่บอกว่าเอาไว้แล้วนะคนเราเนี่ยเราไม่ได้ถูกฝึกมาให้เข้มแข็งในการที่จะทําสิ่งที่ยากซึ่งรวมถึงการที่เรากล้าที่จะทําความดีด้วยนะอะไรที่ดีเรา ก, กล้าทํา อะไรที่ชั่วเราก็ไม่กล้าอะไรที่มันเป็นผลเสียเราก็หลีกเลี่ยงมันโยงกันไปหมดนะพฤติกรรมของเราเนี่ยในการเกี่ยวข้องกับสิ่งต่างๆเนี่ยมันก็ส่งผลต่อคุณภาพจิตของเราแล้วก็อาจจะรวมถึงว่าเราจะพาชีวิตเราไปทางไหนนะพาชีวิตไปสู่ความสุขความเจริญแม้จะมีอุปสรรคมากมายหรือว่าพาชีวิตลงนะลงเหว หรือว่าโดดลงมาจากตึกนะโดดลงมาจากสะพานมันก็ได้ทั้งนั้นแหละจิตใจเนี่ยแม้จะไม่เจ็บไม่ป่วยก็ตามถ้าวังใจไม่เป็นนะมันก็พาไปสู่ความทุกความเดือดร้อนความชิบหายได้และก็เตรียมรับพรอิชิตังปฏิตังตุมหังคอยเถรพรที่ท่านปราถนาแล้วตั้งใจแล้วอิปะเมวะสมมิชาโต ทงสำเร็จโดยฉาพรานสาเพปูเรนตุสังกปาระความดำรีทั้งปวงจงเต็มที่จันโทปนาราโซยัตถะเหมือนพระจันทร์ในวันเพลมณีโชติราโซยัตถะเหมือนแก่มณีอันสว่างสวัยควรดินดีสาพีติโยวิวันตุตวานจารายทาั้งปวงจงบำราชไป สาพาโรควินาสตูโรคทางผัวของท่านจงหายมาเตพาวันตารโยอันตารายามีแก่ท่านสุขิธิกายุโกภวาท่านจงเป็นผู้มีความสุขมีอายุยืนอาภิวาทนาสิริสานิจังุทธาปจายโน ชาตาโรธรร ม, มาวันติอายุวันโนสุขขภาละการศีริกาลคืออายุวันนาสุขขภาลายอนเจริแก่บุคคลผู้มีปกติไหวกระมีปกติอานนอนต่อผู้ใหญ่เป็นนิภาวันตุสาภาบางคลังภาสาภมองคนจงมีแก่ท่านพราขันตุสาภาเทวตา อลาเทวดาทั้งจงรักาท่านสัพพุทธานุภาเวนะอนุภาหงพระพุทธเจ้าสัธมานุภาเวนะยอนุภาหงพระธรรมสัพสังฆานุภาเวนะยอนุภาห่งพระสงฆ์สธาโสทพวันตุเตอาสาทั้งหลาย ตร ง, งมีการันโนมเื่อเทิน